ตอนที่แปดเริ่มถูกหมายตาเข้าให้แล้วหลังจากออกจากบ้านของโจเว่หมินชินเสี่ยวเย่เว่ที่นั่งอยู่เบาหลังก็เริ่มบ่นซูมานอินที่ยกเงินไปใหญ่เพียงสใบที่มีอยู่ให้คนอื่นไปท่านยังให้พวกเขาต่างคนต่างเก็บเป็นความลับอีกแบบนี้ไม่ใช่การเซียมให้สามีภรรยาผิดใจกันหรอกหรือข้าเซียมนะหรือห้าห้าชินเสี่ยวเย่เว่เจ้าเชื่อไหมต่อให้ข้ากำชับแบบนั้นพอหันหลังกลับไปซุนจิวหลิงก็ต้องเอาเรื่องเงินไปบอกโจเว่หมินอยู่ดียังมีผู้หญิงที่โง่ขนาดนั้นอีกหรือ บางทีผู้หญิงที่โง่หน่อยอาจจะมีความสุขได้ง่ายกว่ามิน่าล่ะพวกเราสองคนถึงได้โชคร้ายนักที่แท้ก็เป็นเพราะพวกเราครองทั้งความฉลาดและความสวยไว้จนหมดเลยต้องรับผลกรรมที่ขมขื่นสินะผลที่ขมขื่นก็ยังถือว่าเป็นผลไม้นะซูมานอินออกแรงปั่นจักรยานไปเถอะพวกเราไปที่สำนักงานเขตดูหน่อยสิว่ามันมีระเบียบข้อไหนที่จะมาขุดหลุมศพสามีข้าทางด้านโจ้ยหมินก็รีบร้อนไปที่โรงงาน คนในโรงงานไม่เห็นโจวเวยหมินมาถึงต่างก็ยกนิ้วโป้งให้พลางเอ่ยชมว่าเขามีจิตสํานึกสูงมีความรับผิดชอบปีนี้จะต้องได้เข้าเป็นสมาชิกพักอย่างแน่นอนโจวเวยหมินไม่ได้พูดอะไรเขาตั้งหน้าตั้งตาทางานเงียบเงียบไม่ถึงสิบนาทีเครื่องจักรก็กลับมาทํางานเป็นปกติไ อ, อ้ใหญ่ยังไงก็ต้องเป็นโจวเวยหมินจริงๆเครื่องจักรพวกนี้มันจําคนนัเนี่ยห้าห้าเฉียวหงที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเรอออกมาอย่างมีความสุขนางรีสังการให้พนักงานเรื่องงานทันที วันนี้รบกวนทุกคนช่วยกันทำงานล่วงเวลาหน่อยนะต้องรีบดึงเวลากลับคืนมาให้ได้เมื่อเห็นโจเว่หมิน่นกำลังเก็บอุปกรณ์เฉียวหงก็เดินเข้ามาขอบคุณอีกครั้งเว่หมิ่นเกรงใจจริงๆที่ต้องเรียกเจ้ากลับมาในเวลาแบบนี้แต่ถ้าช้ากว่านี้มันจะเสียหายหนักนะไม่เป็นไรครับพี่เฉียวหงแม่เล็กบอกผมแล้วเมื่อได้ยินโจเว่หมินเรียกแม่เล็กเฉียวหงก็ดูออกว่าซูมานอินมีอิทธิพลในบ้านหลังนี้จริงๆ แม่เลี้ยงของเจ้านี่เก่งจริงๆมีจิตสำนึกสูงวางตัวและจัด ก, การเรื่องราวต่างๆได้รอบคอบมากเว่ยหมินเจ้ารู้ไหมผู้อำนวยการโรงงานอยากจะรับนางเข้าทำงานในโรงงานด้วยนะแต่นางกลับปฏิเสธไปปฏิเสธหรือครับเชียวหงพยักหน้านางบอกว่าอยากจะเก็บโอกาสนี้ไว้ให้คนที่ต้องการมันมากกว่าโจเว่ยหมินขมวดคิ้วเล็กน้อยแม่เล็กของเขามีจิตสานึกสูงส่งขนาดนั้นเลยหรือ เดิมทีโรงงานบริจาคเงินให้ตั้ง300กว่าหยวนรวมถึงคูปองอาหารทุกคนต่างก็คิดว่าให้นางไปเยอะแล้วแต่พอได้ยินนางพูดแบบนั้นทุกคนกลับบอกว่าให้น้อยไปด้วยซ้ําหา้าคนพูดไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังกลับเก็บไปคิดโจ้ยหมิม่ถึงได้รู้ว่าที่แท้โรง ง, งานบริจาคเงินมา300้อกว่าหยวนทั้งยังมีคูปองอาหารและจักรยานอีกแต่ซูม่านอิมกลับให้เขาเพียง100่อยหยวนไม่ถึงหนึ่งในสมด้วยซ้ําหลังจากกลับถึงบ้านยิ่งคิดเขาก็ยิ่งโมโหขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็พึมพำออกมาไม่่กีคํา ซุนจิวหลิงเห็นท่าทางแบบนั้นจึงหยิบเงินหนึ่งรอหยวนออกมาจากกระเป๋าและววางลงบนโต๊ะนี่แม่เล็กก็ให้ฉันมาเหมือนกันพอดีมัวแต่ยุ่งเลยลืมไปเลยซุนจิวหลิงยิ้มพรางอธิบายแม่เล็กไม่ให้ฉันบอกคนนอกแต่คุณไม่ใช่คนนอกนี่นาเมื่อเห็นดังนั้นโจวเวยหมินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจเขาไม่คิดว่าแม่เล็กจะให้เงินพวกเขามากขนาดนี้แม่ให้เจ้าเจ้าก็เก็บไว้ให้ดีเถอะโจวเวยหมินไม่ได้หยิบเงินนั้นเขาหยิบต้นหอมขึ้นมาจิ้มซีอิ๊วคําหนึ่ง ฟังที่แม่บอกอย่าไปบอกคนนอกโดยเฉพาะบ้านอาสามเอบ้านอาสามก็ถือเป็นคนนอกด้วยหรือโจวเว่ยหมินชะงักไปสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีเจ้าคงไม่ได้บอกไปแล้วใช่ไหมซุนจิวหลิงเม้มปากพยักหน้าแล้วตอบเสียงเบาเมื่อตอนเที่ยงตอนไปซื้อผักบังเอิญเจอเว่ยก๋วนภาคุยกันเพลินเินเนก็เลยเผลอพูดออกไปโจวเว่ยหมินรู้สึกปวดตับขึ้นมาทันทีช่างเถอดภรรยาที่ตัวเองแต่งเข้ามาจะให้พูดอะไรได้อีก จิวหลิงเอ๋ยวันหน้าเจ้าช่วยจำใส่ใจหน่อยเธออยู่ห่างห่างบ้านนั้นไว้หน่อยได้ไหมซุนจิวหลิงหน้าแดงก่ําพางรับคําว่าต่อไปถ้าเจอพวกเขานางจะเดินเลี่ยนไปทางอื่นแน่นอนซูมานอินปั่นจั ก, กรยานพาฉินเสี่ยวเยเว่มาถึงสํานักงานเขตหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็ตรงไปที่ห้องทํางานของหัวหน้าสํานักงานเขตทันทีนางขอประตูแล้วผลักเข้าไปขอประทานโทษหัวหน้าเจ้าเฉียนอยู่ไหมคะสหายทั้งสองมีธุระอะไรหรือเปล่า ซูมานอินไม่ได้ อ, อ้อมคอมถามออกไปตรงๆทันทีท่านคือหัวหน้าเจ้าเฉียนสินาคะอ้อพวกเรามาเพื่อแจ้งความลำบากกับท่านคะซูมานอินดึงฉินเสี่ยวเยเวเข้าไปในห้องท่านผู้นำขา้ขาชื่อซูมานอินส่วนนี้คือลูกสะใภ้ของข้าฉินเสี่ยวย่าวพวกเรามาเพื่อจะบอกท่านผู้นำว่าพวกเราไม่ได้ขัดขืนการเผาศพนะคะแต่พวกเราไม่รู้จริงๆว่าการฝังศพจะต้องถูกปรับเงินด้วยซูมานอินพูดพางคำเสียงเสิกสะอื้นส่วนฉินเสี่ยวเยเวที่อยู่ข้างๆก็น้ำตาคลอเบ้าไปนานแล้ว เจ้าเฉียนทำหน้ามึนงงค่าปรับในอำเภอไม่มีคำสั่งลงมาเลยว่าการต่อต้านการเผาศพจะต้องเสียค่าปรับเชิญทั้งสองท่านนั่งก่อนค่อยๆพูดเถอะเจ้าเฉียนเชืเช้อเชิญให้ทั้งสองนั่งลงจากนั้นจึงสอบถามรายละเอียดหัวหน้าเจ้ากสามีของข้าเป็นพนักงานโรงงานเท่าผ้าเมื่อไม่นานมานี้เขาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้โรงงานต้องลำบากและยึดหลักการจัดงานศพอย่างเรียบง่ายพวกเราจึงได้ทำการฝังศพไปตั้งนานแล้วค่ะซูมานอินเอ๋อเล่าอย่างไม่รีบร้อน พวกเราปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดแม้แต่โต๊ะจริงงานศพก็ไม่ได้จัดตะใครจะไปคิดล่ะคะว่าวันนี้จะได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตของพวกเราว่าจะลงโทษปรับพวกเราซูมานอินหยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้เจ้าเฉียนด้วยสองมือท่านผู้นําค้าพวกเราไม่ทราบจริงๆว่าผลกระทบของการไม่เผาศพจะรุนแรงขนาดนี้พวกเราจะรีบเกณฑ์คนไปขุดหลุมศพเพื่อนําศพไปเผาที่อําเภอข้างเคียงเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่เรื่องค่าปรับนี้ท่านพอจะยกเว้นให้ได้ไหมคะหรือขอลดหย่อนลงหน่อยได้ไหม ชินเสี่ยวเยเว่นั่งอยู่ด้านข้างพางรีตามองสูม่านอินแปลกประหลาดแท้ๆสู่ม่านอินไม่ควรจะพุ่งพรวดเข้ามาแล้วอารวาสรอกหรือทำไมถึงเลือกใช้วิธีการเดียวกับนางละ่ะไม่ได้การนางต้องร่วมมือด้วยท่านผู้นำข้แม่เล็กของหนูลำบากมากเลยค้าเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีงานทำไม่มีรายได้ค่าปรับนี้มันหนักหนาเกินไปจริงๆค่าชินเสี่ยวเยเว่ร้องให้คร่ำครวญอยู่ข้างๆเจ้าเฉียงคลี่กระดาษออกดูแล้วก็ต้องตกใจจนสีหน้าเปลี่ยน นี่มันทัศนคติการทํางานแบบไหนกันถึงได้แข็งกล้าขนาดนี้การเผาศพนั้นต้องผลักดันให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่โรงเผาศพของไห่เฉิงยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหากจะเผาก็ต้องไปเข้าคิวที่อําเภอข้างเคียงดังนั้นจึงยังไม่มีการบังคับใช้ยิ่งไปกว่านั้นทางครอบครัวเขาก็จัดงานศพแบบเรียบง่ายแล้วแถมยังเสนอตัวว่ายินดีจะเผาศพเองด้วยซ้าแบบนี้ควรจะสนับสนุนสิไม่ใช่มาคิดเรื่องค่าปรับ เจ้าเฉียนยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกหนาวสั่นในใจและรู้สึกว่าปัญหานี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้สหายทั้งสองเรื่องที่พวกคุณสะท้อนมาผมรับทราบแล้วเอาเป็นว่าผมขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วจะให้คําตอบพวกคุณดีไหมครับและท่านผู้นําจะให้คําตอบได้เมื่อไหร่คะชินเสี่ยวเย่เว่ถามทั้งน้ําตาพรุ่งนี้เวลานี้ได้ไหมคะเจ้าเฉียนยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนได้ครับพรุ่งนี้เวลานี้พวกคุณมาพบผมได้เลย เจ้าเฉียนเห็นผู้หญิงสองคนจ้องมองไปแจ้งเตือนในมือเขาก็เดาความคิดของทั้งคู่ได้กระดาษแผ่นนี้พวกคุณจะเอากลับไปไหมครับไม่ค่ะท่านผู้นำเก็บไว้เถอะข้ามันสำคัญกว่าซูมานอินแสดงท่าทางหวัดวันพวกเราถือไว้แล้วกลัวคะ่ะกลัวซูมานอินพยักหน้ากลัวต้องจ่ายค่าปรับนะคะเจ้าเฉียนหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงพางโบกมือไม่หรอกครับวางใจเถอะพรุ่งนี้ผมจะให้คาตอบที่น่าพอใจแน่นอน หลังจากส่งซูมานอินและฉินเสี่ยวย่าวกลับไปแล้วเจ้าเฉียนก็โทรศัพท์ไปที่ห้องทำงานทันทีด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดมากให้เหล่าวังมาพบผมที่ห้องเดี๋ยวนี้ซูมานอินปั่นจั ก, กรยานพาฉินเสี่ยวเย่เว่ยไปที่สหกรณ์ร้านค้าเพื่อซื้อของใช้ประจำวันเล็กน้อยจากนั้นก็ตรงกลับบ้านทันทีปรากฏว่ายังไม่ทันจะเข้าลานบ้านก็เห็นหวังเกื้อฮาเสียก่อนพี่สะพายทำไมพี่มาอยู่ที่นี่ล่ะคะซูมานอินทำท่าทางประหลาดใจได้เงินมาแล้วเหรอคะ พอได้ยินเรื่องเงินชินเสียวยาวก็กระโดดลงจากรถทันทีและคว้าตัวหวังเกว่าไว้อาสะพ้ยรองท่านไปเอาเงินมาได้เท่าไหร่คะหวังเยห่าถอนหายใจออกมาเสียวเยเว่เอยพ่อแม่ของเจ้านี่ทั้งขี้เหนียวทั้งหน้าหนาจริงๆหลายปีมานี้เจ้าทนอยู่มาได้ยังไงกันชินเสี ย, ยวเย ว, วับซึ้งใจจนน้ําตาร่วงรินอีกครั้งนางโผเข้าสบในอ้อมกอดของอีกฝ่ายอาสะพ้ยรองชีวิตของข้าช่างขมขื่นเหลือเกินเจ้าคะอย่าร้องเลยมีข้ากับแม่เลี้ยงของเจ้าอยู่นะ วังเกวีย้ยหารูปหลบหลังชิ้นเซียวเยเวเบาๆอีกอย่างในโรงงานก็รวบรวมเงินบริจาคให้พวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือน่าจะได้ไม่น้อยเลยนะซูมานอินรอบแค่นยิ้มในใจเป็นอย่างที่คิดจริงๆเมื่อทางโน้นมืดมิดทางนี้ก็สว่างสวัยพอขุดรีจากทางนั้นไม่ได้ก็เริ่มมาจ้องเงินในมือของนางแทนสินะ